คนไทยก็เลยมาย่อเลยครับเป็นไปตามกรรมกันแล้วกันกรรมไหนก็ไม่รู้ยะถากรรมอะไรยะถาเนี่ยอย่างนั้นนะเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นนั้นไหนนะตามดวงที่หนึ่งนะตามทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมตามอุปววอปัชชะเวทนิยกรรมหรือตามอปราปราเวชนิยกรรมเป็นต้นนั่นเองสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนต้องไม่เผลอนะฮัชีวิตของเราไปไหนก็ไปคิดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ บอกว่าเราไปไหนกันนั่งทําไมนั่งรับผลกรรมกับนั่งทากรรมนอนทําไมนอนรับผลกรรมแล้วก็นั่งนอนทํากรรมไปไหนก็ไปรับผลของกรรมแล้วก็ไปทํากรรมจริงๆคนโดยมากเชื่อไหมไปต้องการไปเสวยผลกรรมมากกว่าไปทํากรรมโดยรวมๆแล้วนะพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยนะไปเสวยผลของกรรมซะส่วนใหญ่กลุ่มที่ไปทํากิจกรรมพวกนี้ไปทํากรรมนะน่ะ แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีรับกรรมโดยส่วนเดียวหรือว่าทํากรรมโดยส่วนเดียวมันก็ไม่มีรับกรรมและเสวยผลของกรรมสืบเนื่องมันติดสายสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ทั้งกรรมและผลของกรรมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันก็มาศึกษาดูว่ากรรมตัวไหนอย่างเดี๋ยวต่อไปเรียนเรื่องปาณาติบาตเป็นต้นว่าถ้าทําอากุศล น, น, นะอากุศลให้ผลเป็นอย่างไรถ้ากุศลจะให้ผลเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะกล่าวค่อยๆกล่าวต่อไป นันสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนต้องฝึกเจริญอย่างนี้ไว้บ่อยๆ อ, อย่างมากๆเลยนะจนมีความเข้าใจคิดถึงใครก็เขาก็มาด้วยกรรมของเขาแล้วก็จักไปตามกรรมของเขาเอันนะีย่อๆเลยนะเข้ามาด้วยกรรมของเขาแล้วเขาจักไปตามกรรมของเขาเราเองก็มาด้วยกรรมของเราแล้วจักไปตามกรรมของเราถ้าโทสะเกิดนะอาุสลมันว่ามันสะใจมากเลยใช่ไหะ อคติเนี่ยนไะอ้คิดอย่างนั้นก็จะไปตามกรรมของเราเหมือนกันเราคิดกับคนอื่นยังไงเราก็จะไปตามกรรมขอ ง, ของเราเหมือนกันมันอย่าลืมนะว่าแยกแยะให้ได้ทั้งเจตนาที่เป็นกรรมและผลของกรรมฉะนั้นความจริงอันนี้เราต้องพยายามปรับความเข้าใจตามพระพุทธเจ้าให้เพียงพอถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จนดีเพียงพอแล้วเนี่ยนะกรรมดําวิบากดําใช่หมสูตรเขามีอะที่เคยกล่าว บ, บ่อยๆว่ากรรมดําวิบากดํา กรรมขาววิบากขาวกรรมถ้าทำทั้งดําทั้งขาววิบากก็ทําดําทั้งขาวถ้ากรรมไม่ดําไม่ขาวก็เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพราะเห็นพิษภัยเห็นความเป็นไปแห่งกรรมที่มันสืบเนื่องไม่จบไม่สิ้นก็เจริญอริยมรรคเนี่ยนะที่เป็นกรรมไม่ดําไม่ขาวเพื่อสิ้นกรรมถ้าโสดาปฏิมรรคก็สิ้นกรรมในที่จะนําเกิดในภพที่8เป็นต้นสิ้นกรรมที่จะนําไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและ เดชะชานถ้าสกกะทาคามิมะก็สิ้นกรรมอย่างอื่นทําให้มาสู่ภพนี้แค่ครั้งเดียวถ้านาคามีมัก็ตัดกรรมที่นําเกิดในกามาวาจรได้หมดถ้ารหัตมัเกิดก็ตัดกรรมที่นําไปสู่ภพทั้งปวงได้เพราะนั้นเขาเห็นคุณของอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะเขเห็นกรรมและผลของกรรมอริยมรรคเหล่านั้นจะเกิดเกิดได้อย่างไรก็เกิดได้ด้วยการเจริญอนุปัสนาเรีกว่าสัจจานุโล ม, มิกยานนั้นกรรมมศกตา สัจจานุโลมมิจยานยานที่อนุโลมต่อการรู้เห็นต่ออริยสัจเนี่ยนะก็มาเจริญยาณตัวนี้เจริญความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพิจารณาอย่างไรจึงจะสอดคล้องต่อการเห็นอริยสัจนะพิจารณาอย่างไรที่จริงแล้วผู้ที่พิจารณากรรมมศกตามากๆเนี่ยคือการพิจารณาสมุทยัยสัจจะรวมๆก็คือพิจารณาบริวารบริขารของสมุทยัยสัจจะ แล้วก็ตามเห็นทุกขสัจจานั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นการเห็นสม เ, เห็นทุกขสัจจะแล้วพลิกตรงกันข้ามตรงข้ามกับทุกขสัจจะเหล่านั้นคืออะไรนิโรธสัจจะตรงกันข้ามกับทุกก็คือนิโรธแล้วความเห็นความรู้ความเข้าใจตัวนั้นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิเจริญความเข้าใจอันนี้จนกว่าโสดาปติมภะจะเกิดขึ้นนะวันโสดาปติมภะเกิดขึ้นก็เป็น เสขบุคคลที่สัมมาทิฏฐิของพระเสขบุคคลเป็นความเห็นชอบที่แน่นอนมั้นถ้าเห็นถูกต้องจนเห็นอริยสัจนี่เชื่อว่าเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปถ้าเห็นอริยสัจเมื่อไหร่ก็แน่นอนละบาลีเขาเรียกว่าโอกการตะสมมตะนิยามตาความเห็นชอบที่แน่แน่แปลว่าแน่นอนน่ะนะแปลว่าสัมมตะนิยามแน่นอนถึงขนาดมันแน่นอนใครเปลี่ยนไม่ได้ เปลี่ยนความเห็นในอริยสัจเห็นกลับอริยสัจเห็นไม่ได้เพราะท่านมีความเห็นที่แน่นอนคล้องต่ออริยสัจเห็นตามเป็นจริงอริยสัจซึ่งเชื่อไหมคนไม่ค่อยอยากเห็นเท่าไหร่โดยจริงๆนะคนไม่อยากเห็นเท่าไหร่นะตอนทําบุญให้ทานก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้จริงว่าขอให้เห็นอริยสัจแต่ในชีวิตจริงๆไม่ต้องการเห็นอริยสัจเชื่อหรือไม่เชื่อ สังเกตดูไ ง, ไง่ายๆว่าพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตาเนี่ยชอบพูดไหมโอ้ยพูดเรื่องความงามติดเนี่ยใช่ไหมพูดเรื่องความงามเรื่องความสุขเรื่องความยั่งยืนพูดความน่าเพลินเพลินนี่น่าพูดและเรื่องเกิดแก่เจ็บตาเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดโศกกาปริเทวทุกขโทมานัตไม่ชอบพูดไม่ชอบพูดเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงแต่บ่นเนี่ยมีนะบนเป็นต้นเนี่ยมีแต่ว่าพูดให้เพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะไม่ค่อยมีนะพูดให้เห็นรู้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะ ว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นต้นก็เป็นทุกข์เนี่ยนะังั้นการพูดเพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจนั้นจึงไม่มากนะวันการบรรลุอริยสัจก็เลยน้อยเพราะเอาอริยสัจมาคิดในชีวิตเป็นจริงเนี่ยน้อยมากเนี่ยนะทวารไหนบ้างที่เราเห็นอริยสัจได้บ่อยเห็นอริยสัจเนี่ยก็อย่างน้อยก็ทำมาจากกระท่องๆไว้บ้างนะ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แบบสวดมนต์เมื่อเช้าเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บความตายเป็นต้นก็เป็นทุกข์ก็พิจารณาอริยสัจเหล่านี้ะว่าให้เยอะให้มากให้สมบูรณ์ถ้าเห็นอริยสัจได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นอันนั้นเนี่ยนะปิดอบายได้เราต้องเห็นคุณค่าของของการเห็นอริยสัจ ให้เห็นว่าการรู้เห็นอริยสัจนี่มีอุปการะคุณมากนําให้พ้นจากอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะฉนั้นโสดาปฏิมัติสัมมาทิฐิเนี่ยนะตัดกระแสกรรมไปเท่าไหร่สกท า, าคามิมัติตัดกระแสกรรมไปเท่าไหร่อน า, าคามิมัติตัดกระแสกรรมไปเท่าไหร่อรหัตตมัติเนี่ยตัดกระแสกรรมที่จะนําไปสู่วัฏจักได้โดยประการทั้งปวงมันผู้ที่เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วสัส ม, มาทิฐิของท่านนี้จึงเป็นอะเสขะแปลว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว พระเสขาแปลว่าผู้ที่กําลังศึกษาพระอเสขะแปลว่าพวกสําเร็จการศึกษาแล้วพวกเนวเสกขะเจ้าว่าศึกษาก็ไม่ใช่ก็คือจะว่าไม่ศึกษาก็ไม่เชิงเท่านั้นนะเจ้ว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่ใช่เพราะว่าแบ่งเวลาเป็นอ้าวเขาเขาว่าแบ่งเวลาเป็นใช่ไหมอ้าวต้องรู้อยากแบ่งเวลาใช่ไหมแต่พระเสขาเนี่ยถ้าบอกว่าพระเสกขา เคยมีว่าว่าพระเสขเนี่ยนะท่านทำอะไรท่านก็ไม่ลืมศิกขาไม่ลืมศิกขาเลยเหมือนอะไรเหมือนแม่โคลูกอ่อนว่าเพิ่งคลอดลูกแล้วตัวเองกำลังไปเคี่ยวหญ้าอยู่เนี่ยนะเคี่ยวไปลืมลูกเลยว่าตัวเองกาลังมีลูกใช่ไมไม่ฉันใดพระเสขบุคคลทั้งหลายถึงจะทำกิจอย่างอื่นอยู่ก็ตามก็ยังรำพึงถึงศิกขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนแม่โคแม่โคลูกอ่อน เคี้ยวหญ่าไปก็ชำเลืองดูลูกไปคิดถึงลูกไปใจก็ประวัติถึงลูกไปคนที่เป็นพระเสขาบุคคลก็เหมือนกันพี่จาจรณาอะไรไปทำอะไรไปทำอะไรไปก็โหน ล, ลึกถึงศิกขาของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะในศิกขาสามถามว่าสัมมาทิฐิตรงนี้เนี่ยนะที่พระสารีบุตรถามว่า คที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้ด้วยเหตุกี่ประการนะคุณพระรยาสาวกจึงจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมอันไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระศัทธรรมนี้แล้วมันท่านบอกว่าในที่นี้คำพูดเมื่อกี้เนี่ยประสงค์เอาผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระ โลกุตรกุศลคืออริยมรรคทั้งหลายเพราะสัมมาทิฏฐิ ท, ท, ที่ขณะเกิดอริยมรรคนั้นแน่นอนเป็นธรรมะที่นําออกจากทุกเป็นนิยานิกรธรรมนะนิยานิกัะโถนี่นะก็คือนําออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเห็นที่ถูกต้องผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องดังกล่าวนี่แหละพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมอันไม่คลอนแคลน ได้มาสู่พระสัทธรรมนี้แล้วอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระคุสมเท่านั้นเป็นความเห็นที่ตรงตรงในตรงยังไงเพราะเป็นความเห็นที่เป็นไจตรงไม่ค้องแวะกับส่วนสุดทั้งสองอย่างสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรงจริงๆจะไม่ค้องแวะสัสตะทิฏฐิจะไม่ข้องแวะอุเฉททิฏฐิไม่ข้องแวะการมัุขลิกานุโยกไม่ค้องแวะ อตตะกิละมัทธานุโยกเพราะตรงต่อการแทงตลอดอริยสัจนั้นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิที่ถูกต้องนั้นตัดความคดงอทุกอย่างสัมมาทิฐิที่ถูกตรงนั้นตัดความคดงอทางกายตัดความคดงอทางวาจาแล้วก็ตัดความคดความงอทางใจออกไปหมดเลยและผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฐินั่นเองชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลน คือด้วยความเลื่อมสายในโล ก, กุตระธรรมทั้ง9้าประการคำว่าตั้งมั่นมีอาจลัสธารามั่นคงะนะเลื่อมสายว่าสวะขาโตภะวะตาธรรมโมสันทิิโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปะยิโกปัจจัตังเวทิตัตโพวินยุหิกคำเหล่านี้เนี่ยมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเลื่อมสแน่นอนมีผู้มาปรึกษาบอกว่าทําไมสวาขาโตภะวะตาธรมโมสันทิิโกอากาลิโกก็ว่าให้มันจบๆไปอย่างนั้นแหละมันเกิดอะไรขึ้นก็ว่ากัน ทำไมเป็นอย่างนั้นอิติแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผ้าอรหันต์ไกลาจากกิเลสแม้สาธยายแล้วยังมีปีติปราโมทมั่งถ้าทำพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการกว่าว่าไปเรื่อยแล้วก็เฉยเฉยอ่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงเฉยอ่ะ น, นะพุทธคุณทําไมยังปีติโสมนัสบ้างธรรมคุณทำไมเฉยเฉยอ่างนั้นมันเพราะอะไร ก็เพราะว่าความเข้าใจในพระธรรมไม่ดีความเข้าใจในอริยสัจจะทำไม่ดีไม่รู้คุณของสัมมาทิฏฐิไม่รู้คุณของสัมมาสังกัปปะไม่รู้คุณของสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเพราะความไม่ทราบซึ้งในคุณของสติปัฏฐานส ม, มาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มัชไม่ทราบซึ้งในคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเวลาสวดก็จะเฉยๆเนี่ยนะก็จะเฉยๆเพราะ คืออย่างที่ว่าสังเกตง่ายๆว่าเราพูดถึงคนที่เราไม่รู้จักโดยมากก็จะพูดด้วยความเฉยๆแต่ถ้าพูดถึงคนที่เรารู้จักและชอบพอแล้วมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันเราพูดแล้วเราก็ค่อนข้างจะเป็นไงมีความสุขใช่ไหมเรื่องไหนที่เราเข้าใจเป็นอย่างดีนีพูดถึงแล้วเป็นยังไงมีความสุขชอบแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่รู้ไม่อยากจะรู้เรื่องไม่สนใจเลยเนี่ยนะจะเฉยๆ นี่ก็เหมือนกันพระรัตนตรัยก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทราบซึ่งเราก็จะพูดถึงสาธยายสวดด้วยความเฉยๆเพราะเราไม่รู้คุนนั้นแปลว่าเราเข้าใจในอริยสัจน้อยไปถ้าเราเข้าใจในอริยสัจดีเพียงพอเนี่ยนะสวาขาโตเมื่อไหร่ก็ปีตินีนะ สวากขาโตพระควาตาธรรมโมอริยศาสต์พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีจริงๆสมบูรณ์ถูกต้องเรื่มใสยมาเนี่ยนะอริยศัสตร์เนี่ยนะมักผลนิพพานเนี่ยใครที่ปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองแต่ทุกขศาสตร์ไม่ต้องปฏิบัติก็ถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องเสียใจยเป็นปกติอย่างนี้นะแต่ว่ามักขศสตร์นิโรคสัว์จากผู้ใดศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเอง อานนะสันทิทิโกโอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินโยหิอุกติตันโยวิปัญจิตันโยนัยยะบุคคลรู้แจ้งแทงตลอดได้จริงๆก็เลยเป็นผู้ที่เลื่อมใสในโล ก, กุตรธรรมทั้งเก้าศรัทธาอาจฉรสัทธาในโล ก, กุตระธรรมทั้งเ้า น, นะพร้อมทั้งปริยัติธรรมที่เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีแล้วถ้าเห็นปริยตัตเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าเพราะปริยตัตเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของ พระพุทธเจ้าปริยัตทั้งหมดสาระของคําสอนก็อยู่ที่มรรคผลนิพพานนะนะพูดเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดมรรคผลนิพพานผู้ที่เริ่อมสายอย่างนี้จะเลื่อมสายในพระสงค์ผู้ที่ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในมรรคผลนิพพานเพราะตัวเองเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจเหมือนกันนะผู้ที่แทงตลอดโลกุตระธรรมก้าเหมือนกันอริยสาวกนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิทุกอย่างละกิเลสได้สิ้นแล้ว ออกจากสังสารวัตรคือการเกิดในวัตตะได้แล้วเสร็จการปฏิบัติแล้วท่านเรียกว่าผู้ได้มาสู่พระสัทธธรรมกล่าวคือพระนิพพานที่อย่างลงสู่อมตะธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วด้วยอริยมรรคเนี่ยนะด้วยอริยมรรคย้อนกลับว่าเมื่ออริยสาวกนั้นคลายความยึดมั่นด้วยทิฏฐิทุกอย่างละกิเลสทั้งสิ้นได้แล้วอันนี้เป็นปหานาพ่สมัยการละสมุทัยสัต คำพูดในนี้เนี่ยนะจริงๆเนี่ยต้องฟังให้เป็นอริยสัจให้หมดเลยนะต้องอ่านทุกบรรทัดให้ว่าคําประโยคนี้เป็นสัจจะไหนคําพูดประโยคนี้เป็นสัจจะไหนแล้วกิจของประโยคนี้คืออะไรเป็นต้นต้องฟังให้เข้าใจแบบนั้นจริงถ้า ว, วัน ป, ปฏิสัมพิธามัชเนี่ยจึงมีอุปการะมากเนยนะถ้าถ้าเรียนป ฏ, ฏิสัมพิธามัชจนเข้าใจเนี่ยนะทุกบรรทัดนี่อ่านเป็นอริยสัจได้หมดเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอริยสาวกเมื่อคลายความยึดมั่นด้วยทิฏฐิทุกอย่างละกิเลสทั้งสิ้นแล้วอันนี้เป็นอะไร ปหานาพิสมัยเป็นการลักสมุทยัยสัจจะได้แล้วออกจากสังจากชาติสงสารชาติสงสารคืออะไรสังสารวัตคือชาติก็คือทุกขสั์ ด, ด้วยปริญญาพิสมัยการแทงตลอดด้วยปริญญาเสร็จสิ้นการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเสร็จสิ้นการปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วนี่เป็นอะไรภาวนาพิสมัยนะภาวนาพิสมัยเจริญเสร็จแล้วจเจริญมรรคเนี่ยเสร็จแล้ว เรียกว่าได้มาสู่พระั ธ, ธรรมกล่าวคือนิพพานที่ยังลงสู่อมตะ ธ, ธรรมคือธรรมที่ไม่ตายอันนี้เป็นสัจฉิกิริยาพิสมัยนะบันสาบรรทัดตรงนี้ก็คือปหาปหานาพิสมัยปริญญาพิสมัยภาวนาพิสมัยและสัจฉิกิริยาพิสมัยเนี่ยนะก็คือทำกิจในการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจแล้วเนี่ยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสัจําสอนในเพื่อการละเพื่อการกําหนดรู้เพื่อการเจริญ เพื่อการทำให้แจ้งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วผู้ที่เจริญตามนี้ได้ก็เข้าถึงสัจธรรมอันมั่นคงไม่หวั่นไหวและไม่เปลี่ยนแปลงวันไหนมั่งเป็นวันของเราเอาวันที่เราเห็นแบบนี้วันที่เรามั่นคงแบบนี้ไม่ใช่แบบอะไรลอยน้ำอะ่ะไม่ใช่เหมือนกระสายผักตบชวาใช่ไหมไม่ใช่แบบผักตบชวาลอยขึ้นลอยลงแล้วแต่น้าขึ้นน้าลงไม่ใช่อย่างนั้นนะ ศรัทธาของปุถุชนเชื่อไหมเป็นน้ําขึ้นน้ําลงแบบนั้นจริงๆได้ปัจจัยดีก็จะเจริญเจริญหมดปัจจัยก็แฟบเฉาให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นของภาเระาคือต้นไม้มีแก่นที่ยังรากลงลึกในอริยสนะในในพระศาสนาเมื่อใดเนาะที่เราจะมีศรัทธาอย่างนี้แต่ว่าศรัทธาจะมั่นคงขนาดนี้มั่นคงไม่หวั่นไหวในคําสอนในขนาดนี้ต้องมีโลกุตระสัมมาทิฏฐิ จะต้องมีความเข้าใจระดับเข้าใจในอริยสัจอย่างลึกซึ้งนะคือรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้อย่างนั้นแล้วนั่นแหละจึงจะมั่นคงไม่หวั่นไหวและไม่เปลี่ยนแปลงถ้ายังไม่เห็นอริยสัจนะเลือกนับถืออย่างอื่นต่อไปได้สบายๆเลือกนับถือพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะอย่างสมมติใครที่ไม่เห็นอริยสัจแล้วเขาบอกเขาเลือกนับถือพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ที่ไม่เห็นอริยศาสตร์แล้วไปชื่นชมลัทธิต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋นะเลิกปฏิอาจหมายค่ะว่ากลับจากการปฏิบัติไปเป็นคนทู่ศีลเป็นต้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่เห็นอริยศาสตร์แล้วกลายเป็นมิจฉาทิฐิปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดทางกายวาจาใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นอริยศาสตร์ผู้ที่ไม่เห็นอริยศาสตร์เปลี่ยนจากการนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องปกติ เปลี então, ่ยนจากการนับถ Fo so ือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องปกติปฏิบัต like ิเลวก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาไม่เห็นอริยสัจแต่ผู้ที่เห็นอริยสัจที่จะเปลี่ยนจากพระพุทธเจ้าไม่มีเปลี่ยนจากคําสอนก็ไม่มีตัวเองก็จะไม่ปฏิบัติเลวเพราะเห็นอริยสัจแล้วพันอริยสัจเนี่ยเป็นความรู้ความเห็นที่กําจัดความคดความงอได้ความรู้ความเห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เป็น โลกุตระเมื่อใดนะเราจะเห็นอริยสัจเมื่อเห็นอริยสัจแล้วศรัทธาของเราจะได้มั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสวดมนต์ไหว้พระก็อธิษฐานอย่างนี้ไว้บ่อยๆตั้งใจไว้บ่อยๆแต่สมัยก่อนนี่เขาอธิษฐานอย่างนี้ไหนนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยเขาบอกเขาจะบรรลุวันนี้เขาจะทํากิจอันนี้ได้วันนี้แหละวันนี้แหละคือวันที่เขาเห็นอริยสัจวันนี้แหละวันที่เขามีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัยวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละ เพราะเขาเข้าใจอยู่แล้วนะเขไม่มีปัญหาเพราะเขาเข้าใจอยู่แล้วโดยสุตตมยญาณโดยการใคร่ครวญโดยการพิจารณาเนี่ยเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ของเรามีศัทธรรมั่นคงวันนี้แหละแล้วมั่นคงว่าอย่างไงก็ต้องมาสอบสวนกันยกใหญ่เหมือนกันนะแต่นี่ก็เหมือนการพยายามที่จะตั้งอัตตาสัมมาปณิทิขยายกรอบความรู้ความเข้าใจว่าถ้าถ้าทบทวนตามที่กล่าวแล้วเนี่ยนะก็คือทำอย่างไร กรรมมัสกาตาสัมมาทิฏฐิในชีวิตจริงเราจะได้เกิดขึ้นได้บ่อยได้มากอย่าลืมว่าเรามาด้วยกรรมของเราแล้วก็จับไปตามกรรมของเราคนอื่นๆเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็จับไปตามกรรมของเขาขอร้องได้ไหมจัดแจงอะไรอย่างอื่นได้ไหมให้เขาเนี่ยอย่ามาตามกรรมของเขาเอากรรมของเราไปแล้วขอขอแบ่งกรรมเข้ามาหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทุกคนมาด้วยกรรมของตนแล้วก็จับไปตามกรรม ของตนทีนี้ในบรรดากรรมเหล่านั้นทวในครั้งกรรมดำําวิบากดํากรรมขาววิบากขาวถ้ากรรมทําทั้งดําทั้งขาวทั้งหัวเราะเสร็จแล้วก็ร้องไห้หัวเราะร้ อ, รองไห้เสร็จก็หัวเราะเนี่ยนะก็อะไรตอนหัวเราะก็รับผลกรรมขาวใช่ไหมตอนร้องไห้ก็รับผลของกรรมดำเนี่ยนะเนี่ยต่อไปถ้าหากว่าเห็นพิษภัยทุกโทษของกรรมทั้งหลายก็เจริญสัมมาทิฏฐิสัจจานุ สัจจานุโลมิกยานหรือวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเจริญวิปัสนาสัมมาทิฏฐิอ น, นิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเจริญสัมมาทิฏฐิจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็เกิดโลกุตรสัมมาทิฏฐิโลกุตรสัมมาทิฏฐินี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอัจฉริยสัทธามั่นคงในอริยสัจไม่มีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> แก่หนังสือหน่อยนะ ในหน้า4 0เออขอไป543เนี่ยนะข้อ111ข้อว่ากุสละมูลันจะบาลีใช่ไหมแก้เป็นอกุสละอ่าแก้เป็นอากุสลันจะไม่ใช่อากุศลรมูลเป็นอากุศล น, นั่นแหละอากุสลันจะประชานาติส่วนข้างล่างก็จะเป็นอากุสละมูลันจะก็ทีจริงเรากลับข้างบนเป็นข้างล่าง สลับข้างล่างมาเป็นข้างบนแค่นั้นเองเพอพิมพ์สลับนิดหน่อยทีนี้ย้อนที่บอกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิก็คือคุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดรู้ชัดด้วยอะไรรู้ชัดด้วยโลกุตระสัมมาทิฏฐิเนี่ย น, นะรู้ชัดด้วยโลกุตระสัมมาทิฏฐิว่าเป็นอกุศลพร้อมทั้งอกุศลมูลรู้ชัดกุศลพร้อมทั้งกุศลมูลเพียงเท่านี้แหละคุณ อริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนบรรลุสัตธรรมนี้ได้มาสู่พระสัตธรรมนี้แล้วอธิบายว่าข้อว่าอากุสลันจะประชานาติความว่ารู้ชัดอกุศลอกุศนคืออะไรอกุศลก็คืออกุศลกรรมบท10ประการเมื่อแทงตลอดวันนี้ทุกด้วยสา ม, มารถแห่งกิจยานชื่อว่ารู้ชัดอกุศล เพราะความรู้ชัดที่มีนิโรธเป็นอารมณ์อันนี้หมายความว่าขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นชื่อว่าแทงตลอดอลละภูลโณเหล่านี้โดยกิจนะโดยกิจเรียกว่าโดยกิจคือความไม่เผลอความไม่เลอะเลือนเนี่ยนะด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะว่านี้ทุกเนี่ยที่จะรู้จริงวันนี้ทุกจริงเนี่ยต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์ อกุศลกรรมบททุกชนิดชื่อว่าเป็นทุกขสัจจะอากุศลกรรมบทเมื่อเป็นทุกขสัจจะเมื่อกําหนดรู้มีนิพพานเป็นอารมณ์ชื่อว่าอากุศลลธรรมเหล่านี้เป็นทุกขสัจจะด้วยสา ม, มารถแห่งกิจเพราะะนั้นตรงนี้เนี่ยนะประโยคนี้หมายถึงโลกุกตระสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นกําหนดรู้นี้ทุกเนี่ยนะปั้นถ้าเป็นอ่านปกติทั่ ว, วไปเนี่ยอธิบายเกินความคาดหมายเยอะนีนะ ของเราก็อธิบายเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ในคำเพีร์ที่บายเป็นโลกุตระหมดยัสมะโลกุตระสัมมาทิฏฐิอิท่าอธิเปตาเนี่ยนะอธิเปตาที่เปตาแปลว่าประสงค์ในที่นี้ประสงค์เอาโลกุตระสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเนี่ยนะประสงเอาโลกุตระสัมมาทิฏฐิคือเอาระดับสูงเลยนะหมายความว่ารู้เห็นแล้วไม่เปลี่ยนจากศาสนานี้ท่านจะต้องเป็นรู้เห็นระดับสูง ข้อว่าอากุศลมูลันจะประชานาติความว่ารู้ชัดรากเง่าของอกุศลที่เป็นรากเง่าคืออกุศลมูลเนี่ยนะที่เรียกว่าอากุศลมูลเพราะเป็นปัจจัยแห่งอากุศลกรรมบท10บเหล่านั้นคือเมื่อแทงตลอดวันนี้ทุกขสมุทัยคือนี้เหตุแห่งทุกขโดยประการนั้นนะนะที่เรียกว่าแทงตลอดวันนี้เหตุแห่งทุกหรือนี้ทุกขสมุทัยด้วยสา ม, มารถแห่งกิจจยาน ชื่อว่ารู้ชัด อ, ก, อกุศลมูลเพราะรู้ชัดความที่มีนิโรธเป็นอารมณ์นั้นขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นชื่อว่ารู้ชัดอากุศลว่าเป็นทุกขสัตว์รู้ชัดอกุศลมูลว่าเป็นสมุทัยสัจจะเ น, น, นยะในย่ออื่นก็เหมือนกันบอกว่าควรควรทราบการรู้ชัด วัตถุด้วยสามารถแห่งกิจจยานด้วยอำนาจแห่งกิจจยานเพราะกิจของอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคที่เกิดขึ้นทํากิจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยแต่มีนิพพานโดยอารมณ์โดยอารมณ์หมดว่าเอตาวตาปิด้วยเหตุเพียงเท่านี้คือด้วยเหตุว่ารู้ชัดอกุศลรู้ชัดอกุศลมูลรู้ชัดกุศ ล, ร, ศลรู้ชัดกุศลมูล สัมมาทิฏฐิโหติความว่าผู้ประกอบด้วยโลกุตระสัมมาทิฏฐิมีประการดังกล่าวมานี่แลนะด้วยคําเพียงเท่านี้ที่กล่าวว่าอริยส า, าวกเนี่ยนะ ท, ที่รู้ชัดแบบนี้นี่แหละเชื่อว่าผู้มีความเห็นถูกมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในบรรฑุพระศาธรรมนี้คือแทงตลอดอริยาศาสตรได้มาสู่พระัาธรรมคือพระนิพพานนี้แล้วเนี่ยนะ น, นี่เป็นการแสดงโดยย่นยอ่อก็การแสดงของภาษาริบุตรนี้ถึงจะย่นยอ่อแต่ก็ควรทราบถึงการแทงตลอดด้วยการมนสิการโดยชอบด้วยสามารถแห่งความพิสดารอยู่นั่นเองสําหรับภิกษุเหล่านั้ น, น, น, นหมายความว่าไม่ใช่แสดงแต่โดยย่อตอนแรกแสดงโดยย่อให้จับเนื้อความโดยย่อก่อนแล้วค่อยกระจายออกไปเพราะในทุติยวาระการแสดงย่อก็ควรทราบการแทงตลอดด้วยการมนสิการโดยชอบอย่างพิสดาร โดยย่อคืออะไรโดยย่อก็คือเหตุรู้ชัดกุศลเหตุรู้ชัดอกุศลกับอกุศลมูลเหตุรู้ชัดกุศลกับกุศลมูลการแสดงแบบนี้เรียกว่าแสดงโดยย่อพิสดารนะอกุศลคืออกุศลกรรมบท10ก็ขยายอกุศลมูลคืออกุศลลมูล3กุศลคือกุศลกรรมบท10กุศลลมูลก็คือกุศลมูล3อันนี้เรียกว่าเป็นการแสดงโดยพิสดารทีนี้ เมื่อกี้นี่พูดถึงโลกุตระสัมมาทิฐิที่แทงตลอดแบบนั้นเนี่ยนะโลกุตระสัมมาทิฏฐิอยู่ๆแล้วเกิดกระโดดขึ้นมาพวดเองโดยแล้วไ้ ไ, ไมเห็นแ๊ะอย่างนี้เลยนะคลอดออกมาก็เห็นอย่างนี้เลยมีไหมไม่มีเอาแล้วความเห็นแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ของโลกุตระล่ะอะไรเป็นเหตุใกล้ของโลกุตระสัมมาทิฏฐิอริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรกก็มีอาหารอาหารของอริยมรรคคืออะไร คือโคตรภูยานโคตรภูยานก็มีอาหารอาหารของโคตรภูยานคืออนุโลมายานอนุโลมายานก็มีอาหารอาหารของอนุโลมายานคือสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานก็มีมุลจิตุกรรมมยตายานมีปฏิสังขายานเป็นอาหารยานเหล่านั้นก็มีนิพิธามีอาทีนวะยานมีพยตุปรธานายานเป็นอาหารยานเหล่านี้ก็มีพังคายานเป็นอาหารพังคายานก็มีอุทยพยานุปัสนายานเป็น อาหารนั้น อ, อนุปัสนาเป็นต้นวิปัสนาปัญญาทั้งหลายเป็นอาหารของอริยมรรตเป็นอาหารของโลกุตระสัมมาทิฐนะิวิปัสนาสัมมาทิฐิก็มีอาหารคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิกรรมสกตาสัมมาทิฐิก็มีอาหารอาหารของกรรมสกตาก็คือปรตโขโสภาเป็นต้นนั่นเองมันปัจจัยการเจริญเติบโตของวิปัสสา กรรมาสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิและโลกุตระสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะผู้ที่ได้โลกุตระสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้แล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเข้าถึงศาสนานี้อย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายได้กล่าวว่าบรรดาการแสดงทั้งสองอย่างนั้นการแสดงอย่างย่นย่อภาษาลีบุตรกล่าวถึงมรักเบื้องต่ําไว้ทั้งสองสองมรคคือมรักเบื้องต่ำคืออะไ โซดาปติมักกับสกัตาคามีมักด้วยการแสดงอย่างพิสดารภาษาริบุตรได้กล่าวถึงมักเบื้องสูงไว้ทั้งสองมักอนาคามีมักกับอรหัตมักดูนะในหน้าห้าเนี่ยนะห้าร้อยยีสเอนี่ยนะสงบรรทัดนั้นอะหมายถึงโสดาปฏิมักกับสกัตาคามีมักตั้งแต่อกุศลไล่มาที่เหลือทั้งหมดนั้นเป็นสกัตาคามีมักกับ อขอภอภัยอนาคามีมรรคกับอรหัตตมรรคเพราะนั้นข้อความในหน้า521 522เยนะอันนี้หมายถึงอริยมรรคทั้งสี่มรรคเลยนะั่นก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาคิดกันลึกซึ้งจริงๆเลยกนะุศลกุศลมูลอากุศลอากุศลมูลเขาพูดกันด้วยอนุภาพของอริยมรรคเลยนะ เพราะอะไรเพราะในที่สุดแห่งการแสดงอย่างพิสดารเนี่ยนะเพราะเวลาจบเขาบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าคําพูดที่ภา ษ, ษาลิบุตรแสดงเนี่ยมันจบด้วยอรหัตตมัตรรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้สิดูจากหน้า522สิอ่านะเมื่อเธอรู้ชัดอกุศลกับอกุศลมูลรู้ชัดกุศลกับกุศลมูลเธอละอนุสัยคือราคะละอนุสัยบันทวปฏิคานุสัยถอน ทิฏฐานุสัยมานานุสัยละอวิชาได้ทุกอย่างอย่างวิชาคืออรหัตตมรรคให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวอันนี้เป็นคําประกาศว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นแสดงอริยมรรคทั้งสี่มรรคเลยในอัตถกาถาจึงอธิบายว่าพิสูจนทั้งหลายเห็นคํามีอาธิเพราะการละราคานุสัยได้โดยประการทั้งปวง แต่พระเถระได้กล่าวว่ามักทั้งสี่ได้กล่าวไว้แล้วโดยหมวดแห่งการแสดงโย่อและก็พิสดารส่วนคําอธิบายวาระว่าด้วยอักุศลว่าอักุศลคืออะไรอักุศนคือ อ, อกุ ศ, ออกศลกรรมบทสิบมีปานาธิบัตเป็นต้นก็เป็นช่วงบ่ายกันแล้วกันนะช่วงบ่ายจะเริ่มอธิบายอักุศลกรรมบท